อังคารที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนพุทธศักราช 2,559 ้าห้าวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำนะคณะทายาิโยมลูกหลานแรมแปดค่ำเดือนสิบสองไม่ว่าเป็นขึ้นปีใหม่ทางจรรันทรคติทางพุทธศาสนานะแต่งานในวัดของเรา หลวงพ่อก็ได้สืบสอบถามพระที่เป็นที่พระที่ท่านทำงานดูแลอาจารย์หน่อยพวกกับหมวกหมู่กลุ่มก็ได้ใช้รถสิบล้อสามคันมาแมคโครอีกสองคันรถบดคันที่เอาไปถมตรงที่น้ำกัดทำ ทำทองทำลองน้ำใหม่มันทำคลองใหม่เองนะเพราะฟางมันมาปิดสี่ลูกกลงมันมาไม่ได้มันก็เลยทำทำทางใหม่ของมันโอ้เกือบ20เมตรเหมือนกันนะเพราะนั้นจึงได้ใช้รถเมื่อวานถามถามถมมาได้สองวันน่ะสิบล้อเกือบร้อยคันรถยังไม่เต็ม รถก็น ไ, ไ, ได้ได้รับความอื้อเฟอือจากาลานมันขวัญเมืองสิบลอ้อคันหนึ่งแล้วก็ปัทมาวันคันหนึ่งแล้วก็ตุ้งใจบ็อกคันหนึ่งแล้วก็รถบดของเจรันมารถบดใหญ่มาบดเทลงแล้วก็บทบดบดแล้วก็แมคโครของตุ้งใจบ็อก ทำกำลังทำงานกันอยู่พวกกูบาจะช่วยกันดูแลแล้วก็มีทหารทางกรมส่งมาช่วยก็ให้กูบาดูดูแลเรื่องที่ว่าตรงน้ำท่วมแล้วก็ปศุพื ช, พชตรงไหนที่มันมีความมีปัญหาก็ช่วยกันดูแลหลวงพ่อก็ มีแต่ดูข้างนอกมีแต่ให้คำแนะนำบอกกล่าวนั่นนะส่วนจะปฏิบัตนะิเป็นหน้าที่ของพารุภะหลานัทธายาโยมจะช่วยกันดูแลแต่เมื่อวานข็หลวงพ่อก็ไปนู่นนะพอฉันจะหันเสร็จแล้วก็เอาพระลงผูกลงตาไปร่วมฟังแนวความคิดของวิศวกรรม ที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตางวานนันนีที่วัดป่าบัานตัดหลวงพ่อก็ได้ไปนั่งฟังฟังคนมีมากหลากหลายแนวความคิดก็ดีตามไม่จริงก่อนจะเขียนกอไก่ได้มันก็ต้องคิดก่อนจะเขียนเลขหนึ่งขึ้นมาได้ก็ต้องคิดก่อนจะปิ ด, ปดกระดุม เชื่อของเรากระดุมแรกกระดุมแรกเนี่ยต้องคิดให้ดีตาว่าเราปิดกระดุมลูกแรกมันไม่ตรงต่อไปมันก็เยื่นมันก็มีปัญหาไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราปิดกระดุมเราปิดกระดุมลูกแรกผิดนี่ก็เหมือนกันนะก่อนที่จะทํางาน ใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันต้องปรึกษากันแต่หลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ให้แนวความคิดนะเป็นมีเตไปพูดไปฟังมากกว่ามีแต่ว่าเออคนท่านพูดด้วยซอ อ, อ, อยากจะฟังแนวความเห็นออกมาจากจิตใจของคณะวิศวะทั้งแปดท่านที่ทางจังหวัดเขาแต่งตั้งขึ้นมาแต่หลวงพ่อเป็นผู้ไปนั่งฟัง ก็นั่งฟังก็โอ้นั่งฟังทุกคนที่พูดขึ้นมาเป็นแนวความคิดที่ดีไปในทางที่ดีไปไปในทางที่สร้างสรรในในการแสดงความคิดเห็นแต่มันก็อย่างว่านะถึงยังไงก็ตามก็นาน า, น า, นาจิตตังนาน า, นาทัศนะจุดนี้เราต้องฟังเอาไว้จากนั้นก็แต่ถึงยังไงเราจะเดินทางไปในจุดเดียวกัน เพื่อจะได้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณของหลวงต า, าเราจะทำยังไงก้าวที่หนะึ่งทามันก้าวไปได้แล้วลงเสาหลักปักเขตในผู้รับเหมาแล้วเราหมดหมดหน้าที่แล้วเ น, นเอมีแต่มายืนคอยอยู่ข้างนอกคอยดูผลงานที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเหมาะสมถูกต้อง เป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนอันนี้พวกเราก็ออกออกมายืนอยู่ข้างนอกดูนะผู้ที่เกี่ยวข้องก็เออเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องราวไปแต่ว่าก่อนที่จะเดินได้นะ่ะเราต้องประกบประกงต้องเลี้ยง เ, เหมือนกับเด็กที่เกิดมาใหม่ เ, เราจะให้ทำงานเลยมันก็ไม่ได้เราต้องเลี้ยงจะทำยังไง เ, เด็ก จะมีปัญญาเด่กจะมีความคิดนะอันนี้เหมือนกัรงานของเราที่หลวงพ่อไปดูดูเมื่อวานกน็ลักษณะอย่างนั้นลหละแต่ต่อไปก็คงจะค่อยก้าวเดินไปเรื่อยๆปรึกษาปรารถกันแต่ยังไงชาวบ้านก็ให้ความเข้มแข็งให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเห็นแล้วก็หน้าบูชาน้ำใจของ ทุกคนที่มีเจตนาดีเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแต่ว่าความเห็นแปดแต่ต่างมันก็มีอยู่บ้างนะเป็นธรรมดาในโลกมันต้องมีจะให้เป็นแนวความคิดเห็นอันเดียวกันกคงเป็นไปไม่ได้คนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งผู้เห็นหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหลวงพ่อได้อ่านในพระไตรปิฎก ที่หลวงพ่อได้อ่านเรื่องภูริทัตตะพญานาคภูริทัตพญานาค เ, เขาจับพญานาคได้แล้วนะพวกตระ ก, กูลของพญานาคจะจับหมอลำพายพรามที่จับพญานาคไปลงเมืองนาคจะลงประชาทันตรงจะตัดคอทิ้งเพราะว่าเขาทำโทษให้กับ ผู้ทิ่ทั์พูดเป็นไปผู้รักษาศีลอ่าทีนี้ก็ก็กถกเถียงกันพวกนั้นก็เห็นด้วยพวกหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยที่จะลงประชาทันจะฆ่าพราหม์ทิง้งเพราะว่าพราหมณเนี่ยเป็นคนของพรมนะไ อ, อ้พวกหนึ่งขนาดพญานาคก็ถูกเถียงกันถ้าว่าฆ่าใครก็ตามไปฆ่าคนของพรมเลยพญาพรมเ่ะ เดือดร้อนนะเป็นบาปกรรมไม่ได้ผุดในเกิดนะอผมก็คือผมววิหารผลในสุดก็ถกเถียงกันไปถกเพียงว่าต่างคนก็ต่างอ้างเหตุผลเข้ามาใช่ไหม อ, อ้างเหตุผลหาเหตุผลมาหักล้างกันคนหนึ่งเขาก็บอกว่านี่นะรู้ไหมน้ําทะเลมันเค็มนะี มันมาสาเหตุเพราะอะไรนากคนหนึ่งเออเสนาเสนาอมาัดนาคคนหนึ่งแสดงขึ้นมาพวกหนากอาไรก็ ง, งงอีกเหมือนกันไม่รู้ทำไมน้ำน้ำทะเลจึงเข็มนี่นะในตำราในพระเวทของพรามนะขว่าในพระเวทของพรามคือในตำราหรือปฏัยปิฎกของพรามในพระเวทของพราม เ, เขาบอกมาว่ามีพราม กลุ่มหนึ่งไปทำกำลังจะไปเลี้ยงอาหารกันไปทำอาหารอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรตะกอนน้ำมหาสมุนนี่ก็จืดว่างันขนกินได้อาบได้สบายแต่ในพกพามกลุ่มนั้นก็เลยไปจัดเลี้ยงอาหารกันในฝั่งแม่น้ำฝั่งน้ำทะเลตอนนี้น้ำทะเลมันก็คงจะเป็นสีน้าพิมพ์ในยุคนั้น มันก็เลยก็เพิ่มเข้าไปไปกวาดพวกพราหมณ์ที่กำลังจะเลี้ยงอาหารกันนะ่ละลงไปในทะเลตายหมดพอตายหมดที่นี่พระพรหมที่เป็นที่เป็นตระกูลของพราหมณนะ์พราหมณ์ออกมาจากปากพรหมเลยพรหมก็เลยโมโหขึ้นมาบอกตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะเสกให้น้ำทะเลเข้ม พรมเลยเสกให้น้ำทะเลทั้งผืนเลยเค็มไปหมดเลยจากนั้นมาน้ำทะเลก็เลยเค็มตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา <c oughs> อันนี้คือที่หลวงพ่อได้อ่านในในพระไตรปิฎกเรื่องของโพริธัตัะที่พระพุทธเจ้าทรงเ ส, สเวยพระชาติเป็นโพริธัตุเนี่ยสรุปแล้วก็คือ มันนาน า, นาจิตต่างนานาทัศน์มันต้องหาคําพูดใด้มันเข้มเพราะอะไรเนี่ยแต่ตามไม่จริงถูกไหมถ้าใครพูดก่อนคนนั้นถูกนะไม่มีใครคัดค้านเพราะมันหาหลักฐ <sh arp> าน <sk r ises> ไม่ได้ใช่ไหมล่ะหาหลักฐานไม่ได้เอออาจจะใช่ไะเออาจจะไม่ใช่ผู้ที่เถียงขึ้นมานต่างอย่างวิทยาศาสตร์เข้ามาเหมือนกันเขาว่าแผนดินที่จุดไหนที่มีน้ํา ม, มันจุดไหนที่ไม่มีน้ํามัน เพราะอะไรจะมีน้ํามันเขาบอกว่าสมัยก่อนเมื่ อ, เ, อเป็นล้านล้านปีมันเกิดแผ่นดินถลม่มเกิดแผ่นดินถลม่มแผ่นดินก็เลยกลบวัชพืชมีช้างมา้าวัวควายหมูหมามเป็ดไก่ต้นไม้อะไรมันหลงไปในแผ่นดินอมันก็เลยเป็นน้ํามันอ ย, อยู่ใต้แผน่แผนดิน อันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์นในยุคปัจจุบันแต่หลวงปู่จา ม, มาว่าไม่ใช่ข้าปัดกวาดอยู่ที่วัดของข้า เ, เอาใบไม้กองขึ้นมาทีไรก็เห็นแต่ปวกกินก็ไม่เห็นมันลงไปพื้นดิไปเป็นน้ำมันอยู่ที่ไหนวะมันไม่ใช่หรอกมันเป็นธรรมชาติของมันนะอันนี้มากระเถียงกันขึ้นมาอีกเหมือนกันออ ร่างกายของเราเห็นไหมแตง แ, แต่หัวจุดเท้านะ่ะเราทานอาหารก็เป็นเราเราก็ไม่ใช่ว่าจะกินอน้ํามันเข้าไปมันจึงจะเป็นน้ํามันไขมัน เ, เราทานอาหารเข้าไปมันก็ไปแยกกันเองเอตัวหนึ่งควรจะเป็นน้ํามันคนหนึ่งจะเป็นเลือดคนหนึ่งจะเป็นปัสสาวะคนหนึ่งจะเป็นอะไรต่อเมื่อะไรมีในร่างกายของเรานะเนีอย แกจะบอกว่าเอาใช่เพราะคนเรากินของมันกินมะพร้าวมันจึงมันจึงมันจึงมันร่างกายจึงมันอันก็ไม่น่าจะใช่วัวควายมันกินแต่หญ้าเนี่ยทำไมมันมันกว่าคนบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้กินอย่างอื่นมันกินแต่หญ้าทำมาชาติเนี่ยอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ ท่านถกเถียงกันนะหลวงพ่อก็ฟังเหมือนกันนะเอสรุปแล้วก็คือเนี่ยนะนานาจิตต่างนานาทัศนะจริงๆริสรุปแล้วอย่างที่ไปฟังเมื่อวา น, น, นนะเนี่ยไปในทางที่ดีไม่ใช่เป็นแนวความคิดที่ดีอที่ว่าแผ่นดินกบวัชพืชเป็นน้ํามันก็ใช่ที่ว่าร่างกายของเรามันเป็นธรรมชาติของมันก็ใช่ แต่บางคนก็บอกว่าทาไมน้ามันอยู่ในแผ่นดินมันยังมีน้ำพอมันอยู่ในส่วนลึกมันอยู่ในภูเขาก็ยังมีน้ำอีกมันทำไมเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ธรรมชาติเหมือนกับเรานะ่ะไม่ใช่เลือดมันจะอยู่ในพื้นท้าอย่างเดียวนะบนศีรษะก็มีเลือดเหมือนกันฮงนี่แหละ ส, สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะ่ะ มันเป็นมันสุดวิสัยที่พวกเราจะต้องคิดแต่ถึงยังไงก็ตามมันต้องมีเหตุมันจังมีผลสรุปแล้วในหลักของพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุเหตุแล้วก็ผลมันตามมามันมีเหตุเหตุ ด, ดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วมันต้องสร้างเหตุให้ดี่นเ ถ้าเราหาเหตุผลสร้างเหตุให้ดีแล้วมันจะชั่วได้ยังไงมันต้องดีคนนั้นในหลักของพุทธศาสนาทรร่านจึงบอกว่ากรรมคือการกระทาให้พวกเราทำดีอย่าไปทำชั่วถ้าคิดก็ให้คิดดีอย่าไปคิดชั่วถ้าพูดก็ให้พูดดีอย่าไปพูดชั่วแต่มันออกมาจากใจทั้งหมด อออกมาจากใจหลวงพ่อก็เลยเมื่อวานบันก่อนก็มีคนเข้ามาเขาบอกว่าเขาจะสวดสวดมนต์ข้ามคืน่ะปีใหม่ที่จะถึงเนะี่ยเดือนมกราปีใหม่เขาจะสวดมนต์ข้ามคืนที่ไหนเขาก็จะสวดทั้งหมดเป็นการสวดถวายบูชาพระคุณของในหลวงด้วยอแล้วก็เป็นการจวดมน ข้ามปีเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลด้วยหนะลวงพ่อบอกว่าก็ดีการสวดมนต์ข้ามปีดีกว่าที่จะทำอย่างอื่นดีกว่าเล่นไพ่เล่นโปเล่นไฮโลกินเหล้าเมายาข้ามปีอันนั้นไม่ดีอันนี้สวดมนต์ข้ามปีดีประกอบคุณงามความดีในจิตใจทต้าท่ า, ถ, า, ถ, าถ้าจะทำให้ดีกว่านั้นนะสมมติว่า ห้าทุ่มห้าทุ่มห้าห้าทุ่มครึ่งนะให้พวกเรานั่งภาวนาเลยนั่งภาวนาดูจิตใจจะให้มันเที่ยงตรงให้เป็นสมาธิจนหนึ่งนะจนถึงเที่ยงคืนสามสิบนลนยะแปลว่าชั่วโมงหนึ่ง น, ะนั่งภาวนาแต่ก่อนหน้านี้เราจะสวดมนต์ก็ได้แต่ว่าอีกสามสิบนาทีหน้าแล้สามสิบนาทีหลังเนะี่ย เที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนสามสิบนาทีหลังเที่ยงคืนสามสิบนาทีนั่งภาวนาทาจิตใจให้สงบนิ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปีที่จะถึงปีเก่าๆที่ผ่านๆมาสิ่งที่มันไม่ดีข้าจะไม่ทําข้าจะไม่คิดข้าจะไม่ทําข้าจะไม่พูดข้าจะคิดจะทําจะพูดแต่สิ่งที่ดี ตั้งแต่ปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยคือตั้งจิตให้แนวแนว่เพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจิตใจทั้งหมดในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราคิดดีแล้วพูดมันก็ดีทำมันก็ดีสิ่งที่มันดีตามมาก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นมันเพราะๆออกมาจากใจถ้าเราคิดชั่วการกระทำออกไปมันก็ต้องชั่วการพูดออกไปก็ต้องชั่ว เพราะนั่นในถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราควรจะทำสมาธิให้จิตใจเน่งดูใจอพอจิตใจเน่งสงบเป็นหนึ่งเหมือนกับเที่ยงคืนเมื่อนกัดนาฬิกาตรงอพอจากนั้นมาแล้ววันเป็นวันต่อไปเนี่ยเรามีแต่ดีทั้งนั้นเลยแต่เนี่ยถ้าว่าสวดมนต์ข้ามคืนเฉย อผอพุ่งในเช้ามาทะเลาะเบาแวงมาอ <c oughs> ชกต่อยตีกันไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรกินเหล้าเมายาสุรานาลีภาชีกิฬาบัตรสิ่งที่มันชั่วขนเข้ามาสวดไปแล้วมันไม่รู้กี่ครั้งมันก็เท่านั้นนะเอสวดไม่ลู้กี่ครั้งก็เถอะมันก็เท่านั้นแหละเพ่ <c oughs> ออะไรเพราะตัวเองไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเอง เราปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองนั่นแหละเลิศประเสริฐเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจเจริญมันจะเสื่อมออกมาจากเหตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเหตุผลจุดนี้นะคืออะไรเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจัทตาญาโยมพระเนรลูกหลานทุกคนนะให้สรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้ประกอบเหตุให้ดีผลมันจึงจะออกมาในทางที่ดีถ้าประกอบ เหตุชั่วแล้วจะหวังผลดีเป็นไปไม่ได้ในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราประกอบแต่สิ่งที่ดีเมื่อสิ่งที่ดีแล้วเหตุดีแล้วผลจะตามมาดีตลอดไปจนถึงสุดท้ายมักผลนิพพานออกมาจากเหตุทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวความคิ ด, คด หลักเหตุผล อ, อ, อ่างเหตุผลในหลายเรื่องให้พวกเราได้ฟังนะตลอดถึงที่หลวงพ่อได้พูดเปิองต้ น, นเนการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเราก็ต้องหาเหตุท้าผลว่าเราจะเดินอย่างไรเราจะเขียนกอไก่อย่างไงเราจะปิดกระดุมอย่างไรรูปแดกกระดุมลูกแรกนนะจะปิดอย่างไงถ้าก็ปิดกระดุมลูกแรกมันผิด พอมันปิดกระดุมลูกแรกผิดนะมันก็เควไปเรื่อยๆได้นะ่ลถ้าปิดกระดุมลูกแรกถูกต้องงานทุกสิงทุกอย่างมันก็เหตุดีแล้วผลก็ต้องตีไปเรื่อยๆน ะ, ะต่อนนี้ไปพระส่งอนุโมทนาให้พรรับพรนะ